วันนี้5มิถุนายนต์หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะวันสิ่งแวดล้อมโลกนี่เขาประกาศนี่ตั้งแต่50ปีที่แล้วนะปี2515ผ่านมา50ปีพอดีเลยที่เขาประกาศให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยสหประชาชาติก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมของโลกนี่มัน เสื่อมโทรมลงไปทุกทีนะมันเป็นปัญหาตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วและตอนนั้นเนี่ยนะปัญหามันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาสองเรื่องหลักๆคือหนึ่งเรื่องมลภาวะมลภาวะในอากาศในน้ำน้าเน่าเสียหรือว่ามีมลพิษในอากาศที่เราหายใจอีกเรื่องนึงคือ การร่อยรอของทรัพยากรป่าก็หดหายหน้าดินก็ถูกทำลายไปมากมายสัตว์น้ำก็สูญหายไปเยอะความหลากหลายทางชีวภาพก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนี่เมื่อหาสิบปีที่แล้วนะ มาถึงตอนนี้ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันไม่ได้ีขึ้นเท่าไหร่นะมันแย่ลงและยิ่งกว่านั้นมีปัญหาใหม่นะที่เพิ่งมารับรู้กันนะเมื่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้วนี่เองนะตอนที่มีวันสิ่งว่าล้อมโลกนี่ปัญหานี้ยังไม่ได้ตันหนักเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเนี่ยมันเป็นวิกฤตเลยทีเดียวนะนั่นก็คือโลกร้อนนะ ปรากฏการโลกร้อนซึ่งมันหนักหนาสาหาัดยิ่งกว่าสองปัญหาที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะเาโลกร้อนนี่มันก็ทำให้อากาศแปรปรวนแล้วก็ทำให้อนาคตของมรดกเียาชาตินี่มันน่าเป็นห่วงมากและถามยู่เป็นปัญหาที่แก้ยากด้วยโรคระบาดก็ดี น้ำท่วมก็ดีภัยแรงก็ดีปัญหามากมายนี่รวมทั้งน้ําท่วมทะเละมีระดับน้ําสูงขึ้นเนี่ยโอ้อ น, นี้เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักกันนะจะไปสนใจแต่เรื่องทํามหากินนี่มันไม่พอแล้วล่ะหรือแม้แต่จะสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมอย่างแคบๆนี่มันก็ไม่พอแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราเนี่ยควรจะสนใจนะความรู้จักใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งประโยงไปถึงการรู้สึกสำนึกในบุญคุณของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องปลูกฝังในสำนึกของชาวพุทธให้มากๆเพราะว่าที่จริงเนี่ยพุดเจ้าเนี่ยนะได้ทรงสอนเรื่องนี้ไว้ มากมายนะโรงสอนว่าอย่าไปไม่เพียงแค่ไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นนะแต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนธรรมชาติด้วยเพราะอะไรนะเพราะธรรมชาติเนี่ยมีบุญคุณกับเรายัางมีภาษีหนึ่งนะบอกนะว่าผู้ใดนั่งหรือนอนในร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่ควรไม่ควรตัดกิ่งต้นไม้นั้นเพราะผู้ประทุสร้ายมิตรเป็นคนเร็วซมำนะโอ้ผู้เจ้าใช้คำแรงนะการไปตัดกิ่งต้นไม้ที่เราได้อาศัยร่มเงานี้ถือว่าเป็นการประทุษร้ายมิตรเลยทีเดียวและผู้ประทุษร้ายมิตรนะก็คือผู้ที่เร็วซ้นะ อันนพรเจ้าก็มองว่าต้นไม้นี่เป็นเป็นมิตรของเรานะโดยเฉพาะต้นไม้ที่เกื้อเฟือเกลื้อกูลเราโอ้ยมีชาดกมากมายเลยนะที่สอนให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมชาติโดยเฉพาะต้นไม้รวมทั้งโทษของการไม่เห็นคุณค่าของต้นไม้หรือธรรมชาติพระเจ้าเรียกว่าเป็น การเนลคุณหรืออักตันยูเลยนะอย่างมีชาดกงหนึ่งนะซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินตอนเด็กๆน ะ, ะกวางน้อยถูกพาไล่ล่ามันก็วิ่งหนีนะเอาตัวรอดก็ไปเจอพุ่มไม้ใหญ่ใบหนาเลยก็เลยไปหลบอยู่ใต้พุ่มไม้นั้นพรานเดินผ่านมามองไม่เห็นเพราะว่า พุ่มไม้นี้มีใบหนามากผ่านก็เลยเดินผ่านไปกวางก็เลยลอดตายพอลอดตายก็รู้สึกสบายใจนะพอสบายใจก็เห็นว่าเนี่ยพุ่มไม้นี้ใบมันเขียวน่ากินนะก็เลยกินไม้ในพุ่มเนี่ยกินจนเพลอเลยนะจนพุ่มไม้นี่มันบาง บางตาส่วนพลานเนี่ยนะหากวางไม่เจอก็วกว ก, กลับมาก็ไปเจอกวางเนี่ยอยู่หลังพุ่มไม้แต่กรณีพุ่มไม้นี่มันบางแล้วพลานก็เห็นกวางพลานก็ไดยยิงกวางตายเลยกวางก่อนที่จะตายนี่ก็บอกว่าเนี่ย นี่เป็นเพราะเราอากตันยูนะไม่สำนึกในบุญคุณของพุ่มไม้เราจึงต้องตายโ อ, อนี่เป็นเป็นนิทานนะที่สอนใจไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวนะผู้ใหญ่ด้วยนะพุ่มไม้นี่ก็เป็นตัวแทนของธรรมชาตินะทั้งป่าภูเขาลำห้วยลำทาน คนเราก็จะอาศัยร่มเงาอาศัยประโยชน์จากธรรมชาติมากมายทั้งน้ำอากาศอาหารแต่ถ้าเราไม่สำนึกในบุญคุณของธรรมชาติเนี่ยเราทำลายธรรมชาติเพื่อสนองความโลภของเราสุดท้ายเราเองก็จะไม่รอดมีชาโดอยกันเรื่องหนึ่งนะสอนใจได้ดีเหมือนกันนะเป็นเรื่องของกลุ่มพ่อค้า ที่เดินทางไกลแล้วปรากฏว่าไปหลงทางอยู่ในถิ่งกันดานก็หิวน้ำขาดอาหารทำท่าจะแย่แล้วก็ไปเจอต้นไทรใหญ่นะก็แอาศายร่มเงาของต้นไทรนั้นเนี่ยพักผ่อนเอาเรื่อเอาแรงเสร็จ แ, แล้วก็มีคนหนึ่งบอกว่านี่ต้นไทรนี้น่าจะมีน้ำนะให้เราได้ดื่มกินดับกระหาย ก็เลยตัดกิ่งไม้ตัดกิ่งของต้นไทรด้านทิศตะวันออกบอกว่าน้ำไหลามาโอ๊ยกุพ่อประค้านี่ดีใจมากเลยกินน้ำจนหายกระจนดับกระหายเริ่มมีเริ่มมีแรงแล้วก็มีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยลองตัดกิ่งต้นไทรด้านทิศใต้ดูอาจจะมีของดีนะพอตัดปุ๊บนี่อาหารมาเลยนะ ข้าวนานาชนิดออกมาจากต้นไทรกลุ่มพ่อค้านั้นก็กินอาหารดับความหิวมีเรื่องมีอะไรมีกระลาวังชาเท่านั้นไม่พอนะก็ยังคิดต่อไปว่าเนี่ยต้นไทรนี้เนี่ยคงจะมีอะไรดีมากกว่านี้ก็เลยตัดกิ่งนะด้านที่ตะวันตกบอกว่ามีผู้หญิง น, ะนารีเนี่ยออกมาบำรุงบำเรอ กลุ่มพ่อค้านั้นได้ความสุขท่านี้ไม่พอนะยังคิดว่ามันต้องมีอะไรดีแน่เลยนะในต้นสายนี้ก็เลยตัดกิ่งด้านทิศเหนือโอ้คราวนี้แก้วแหวนเงินทองนี่นะพรั้งพลูออกมาใหญ่เลยรวยเลยนะคราวนี้ต้นสายนี้เป็นต้นสายที่นะมีความสําคัญมาก กานี้พวกโจรเนี่ยพวกพ่อค้าเนี่ยยังไม่พอใจนะคิดว่าเนี่ยต้นสายนี่คงจะให้อะไรเรามากกว่า น, นี้ได้นะก็เลยคิดจะก้นต้นสายเลยนะแต่หัวหน้านี่ห้ามเอาไว้ว่าอย่าทำอย่าทำต้นสายนี้ให้อะไรเราเยอะและ้วทั้งให้อาหารให้น้าให้ความสุขกับเราให้ทรัพย์สินเงินทองอย่าทำเลยนะแต่พวกพ่อค้าไม่ยอมนะด้วยความโลภก้นต้นสายทิ้งเลยนะ อันนี้ต้นสายเนี่ยนะมีพญายนาคอาศัยคุ้มครองอยู่พญายนาคเนี่ยพอเห็นการกระทำของพวกพ่อค้าเนี่ยซึ่งเต็มไปด้วยความโลภถึงขั้นคนต้นสานี่็โกรธมากเลยนะต้องการลงโทษพ่อค้าเหล่านี้ก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยออกมาพร้อมอาวุธผ่า พวกพ่อค้านม้หมดเลยคงเหลือแต่หัวหน้านะที่รอดชีวิตอนนี้ก็เป็นชาดกนะที่ชี่อเห็นจะว่าโทษของความโลภ ก, ก็ได้และขณะเดียวกันก็เห็นนะว่าเนี่ยเมื่อเราทำลายธรรมชาติโดยการโค่นต้นไสเนี่ยท้ายก็ต้องรับกรรมรับเคราะห์มนุษย์เรานี่ได้ประโยชน์ธรรมชาติมากมายนะ จนกระทั่งเรามีชีวิตที่สุขสบายมีเงินมีทองมากมายเหมือนกับพ่อค้าที่ได้ประโยชน์จากก้นใส่เนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้อยากพอนะอยังทำลายธรรมชาตินะไม่จบไม่สิน้นตอนนี้ก็เลยนะกำลังรับกรรมนะจากธรรมชาติที่มันพันปวนแปรปวนนึ่ชาดกเรื่องนี้นี่พระเจ้าสอนมาสองพันกว่าปีแล้วนะมันก็ยัง ไม่ล้าสมัยเลยนะเป็นสิ่งที่เตือนใจผู้คนเราโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยนะต้องอใส่ใจเรื่องนี้มากมากนะเดี๋ยวนี้เรามองข้ามธรรมชาติไปจริงจริงเรื่องการเคารพธรรมชาตินี่มันต้องเป็นสีงข้อนหนึ่งเลยนะโดยเพราะในยุคนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันสิ่งว่าล้องโลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวันของคนทัวต่อไปนะมันเป็นวันที่ชาวพุทธควรจะตระหนักด้วยถึง บุญคุณของธรรมชาติแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้ไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่รวมถึงหุ่ยหนองคลองบึงหน้าดินภูเขานะทะเลนะพะไม่งั้นเนี่ยในความอากตันโูของเรามันก็จะกลับมาทำร้ายเราในที่สุด